โดยสมัยนั้นแหละในชมพูทวีปมีอาวาตคือมีวัดอยู่แปดห0ื่นสี่พันวัดนะนะโอ้ไปสร้างวัดกันเยอะแยะเลยนะนเมื่อล่วงไปได้ปีหนึ่งเทวดาทั้งหลายก็เป่าประกาศร้องกันว่าข้าแต่ท่านผู้นนรทุกล่วงไปหนึ่งพันษาแล้วบัดนี้ยังเหลืออีกห้าพันษา อีกข้างหน้า5พันศาท่านทั้งหลายจงเข้าไปยังพระนครพันธุมมดีราชธานีเพื่อสวดปาติโมกข์เถิดเพื่อแสดงปาติโมกข์เถิดเนี่ยนะอีกหปีหนาะบอกบัดนี้ผ่านไปสองปีเหลืออีก4ปีอ่านะพอปีที่สก็ประกาศอีกล่วงไปแล้ว3ปีเหลืออีกเหลืออีกสองปีเนี่ยนะเออเหลืออีกสปีดอกปกีบอกว่าผ่านไปแล้ว4ปีเหลือสองปี ผ่านไปแล้ว5ปีเหลือปีเดียวเนี่ยนะโอ้โคศกลงมาเองเลยนะเ ท, เทวดาเนี่ยนะโคสกะเทพบุตรลงมาเองเลยนะมาประกาศให้พระพิสูจนทั้งหลายรู้เนี่ยนะจริงท่านเหล่านั้นก็ไม่ลืมเหมือนะแต่ก็เตือนๆกันไว้ได้ประกาศข่าวไว้งนันน่ะเสร็จแล้วก็บอกว่าเมื่อล่วงไปได้6พรรษาเทวดาทั้งหลายก็ประกาศว่าบัดนี้ล่วงไป6พันษาแล้วถึงเวลาแ ล, ล้วละ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 ประชุมกันหมดก็ไปประชุมในโดยวันเดียวเท่านั้นเพื่อแสดงปาติโมกดูการพิสูุ์ทั้งหลายได้ยินว่าณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงแสดงปาติโมกในที่ประชุมภิกษุน์ ส, สงดังนี้ว่าขันเตปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานะบอกว่าขันติคือความอดกลั้น ควอดกลั้นนี้ไม่ได้แปลว่าแหมนั่งจ้องงอยหมดสภาพไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นอดติขันติเนี่ยคือความอดกลั้นคือหมายก็ว่าอะไรเนะี่ยถามว่ายุงกัดเราเราต้องกัดยุงไหมอย่างเงี้ยก็คือก็ไม่ไม่ใส่ใจเออมันก็ยุงอะ่ะก็ถามว่าก็ถ้าสุนัขเหา่าเราต้องเห่าตอบไหม ไม่ต้องอ่ะพันถ้าหาว่าไอความอดกลั้นอ่ะนะก็คือเราก็รับเข้าใจว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่เดือดร้อนใจไม่ลําบากกายไม่งุดงิดไม่เครียดไม่อึดอัดไม่คับแคบอ่ะทนอยู่ได้อ่ะนั่นแหละเรียกว่าอดทนไม่ได้แปลว่ากัดฟันทนนะทนไว้ก่อนเดี๋ยวทีทีท่านเราไม่ว่าทีข่าแล้วก็ยาเอ็ดกันละกันหน้าอะไรเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นอันนั้นเขาไม่เรียกว่าอดทนนะเรียกว่าผูกเวนนะนะจองล้างเรียกว่าจองเวน นะกแล้วก็นั่งผูกเวรอยู่ทําท่าเหมือนอดทนเนี่ยไม่ใช่ไอ้คาว่าอดทนเนี่ยก็ไม่ได้ถือสาเนี่นะไม่ได้ถือสาไม่ได้ถือโทษเช่นเด็กลูกหลานเรามากวนเรามาเดินแล้วมาจับโน่นดึงนี่ก็กธรรมดาก็ลูกหลานเราอ่ะนะนั่นแหละลักษณะของอดทนไม่ได้รู้สึกว่าคับแคบบอกป่วยทางความคิดอะไรเลยไม่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสพระนิพพานว่าปรมังปรมังสุดยอดปรมัตอะนะจากคําว่าปรมัตนั่นเองนิพพานนี่แหละเป็นปรมัต เป็นประโยชน์ที่สูงสุดเนี่ยนะเป็นเนื้อความที่สูงสุดไม่มีอะไรจะสูงเท่ากับนิพพานแล้วเนี่ยนะธรรมที่สิ้นตันหาธรรมที่ถอนแห่งตันหาเพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สางแห่งความเมาธรรมที่ดับทุกธรรมที่สงบทุกเนี่ยเป็นธรรมดีที่สุดอย่างยิ่งที่สุดพระโสดาบันทั้งหลายพุทธะนะสาวกกับพุทธะท่านก็พูดอย่างนี้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 เยี่ยมจริงๆเลยว่างั้นเถอะสาวอับพุท ธ, ธะทั้งหลายผู้ที่รู้อริยศาสตร์ทั้งหลายรู้ทุกสมุทัยนิโรธมากนะเขาบอกนิพพานดีที่สุดไม่มีอะไรจะเยี่ยมเท่านี้อีกแล้วว่างั้นผู้ทําร้ายผู้อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นบนรรปะชิตเลยถ้ายังทําร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาใจอยู่นะไม่เรียกว่าบรนประชิตหรอกผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะบรรปะชิตคือผู้ละเว้นมนทิน คือความเศร้ามองกายวาจาใจสมณะคือผู้สงบบาปสงบบาปด้วยกายวาจาใจสงบบาปทางกายวาจาใจถ้าบาปกรรมเลิกจะเป็นบันะชิดได้อย่างไรถ้าบาปกรรมเลิกจะเป็นสมณะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่มุ่งร้าผู้ที่ทาําร้ายผู้อื่นอยู่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ด้วยกายวาจาใจเป็นต้น ไม่มีคุณธรรมของความเป็นบรรปะชิตไม่มีคุณธรรมของความเป็นสัมณะเขาไม่ใช่สมณะแต่อยู่ในคราบของสมณะไม่เป็นบรรปะชิตแต่อยู่ในคราบของบรรปะชิตเพราะทําร้ายผู้อื่นเพราะเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะสัพาปะปะสะการณังกุสละสูปสัมปทาสจิตตะประโยชน์ทปนังเอตังพุทธานาสาสนังเนี่ยนะสัพาปาปะสะการนางการไม่ทําบาปทุกชนิดเนี่ยนะ การไม่ทําอกุศลทุกชนิดเว้นจากอากุศลทุกอย่างอันนี้เป็นชื่อของจตุบาฤสุทิศีลกุศลสูประสบสมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมทํากุศลทั้งมหากุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุตระกุศลทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสนาเจริญให้หมดเจริญให้ถึงพร้อมส จ, จิตตปรโยธปนังทําจิตของตนให้ข่าวรอบสจิตตปรโยธาปานังอันนี้เป็นชื่อของอรหัตตผลจิตเนี่ยนะ เอตังพุธานาซาสนังนี้เป็นคําสั่งสอนเป็นคําตักเตือนเป็นโอวาทานุศาสนีเป็นทั้งโอวาทเป็นทั้งครัอโอวาทแปล ว, ว่าว่าครั้งเดียวบอกครั้งเดียวถ้าอนุสาสนีแปลว่าตามสั่งตามสอนตามบอกตามเนะตามนําตักเตือนอยู่นั่นแหละเรียกว่าเอตังพุธานศาสนางังครับเป็นอนุสาสตตามพร่ำตามสอนเนี่ยนะตามบอกตามสอนว่าอย่าทําบาปนะทําบุญให้มากเจริญบุญให้เต็มที่แล้วก็ ชำระจิตของตนให้ได้อรหัตผลจิตอนุปวาโวออนุปคาโตปาติโมกเคจะสังวโรมัตตัญุตาจะพัตตสเมงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายโยโคเอตังพุทานาสาสนังนะนะอนุปวาโอการไม่กล่าวร้ายอันนี้เป็นวจีสุจริตต้องไม่พูดร้ายนะให้พูดให้เป็นวจีสุจริต อนูปคาโตการไม่ทําร้ายเป็นชื่อของกายสุจริตปาติโมกเคจะสังวโบรการรักษาอะไรโอวาทถ้ารักษาพระปาติโมกเนี่ยนะก็คือกายสุจริตวจีสุจริตและอาชีพที่สุจริตนั่นเองมัตตัญุตาจะพัทธสมิงรู้จักประมาณในการแสวงหาอาหารรู้จักประมาณในการรับอาหารรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร คำว่าอาหารรวมทั้งปัจจัย4ทั้งเครื่องนุ่งหม่มทั้งอาหารที่อยู่อาศัยและยาทั้งหลายการู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย4ปันตันจะศยนาสนังการนั่งการนอนอยู่ในบนที่นั่งที่นอนที่สงัดหาที่ลีกเกรนเนี่ยนะหาที่เงียบๆที่สงบสงัดแล้วก็ไปอยู่ทํอาอะไรอธิจิตเตจอาโยโครประกอบอธิจิต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 ไปทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปประกอบอธิจิตทั้งโดยสมถะและวิปัสนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะสรุปว่าอนูปวาโตอนูปคาโตปาติโมกเคจะสังวโรปันตมัตตัญุตาจะพัตตสมิงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจอาโยโคก็คือ ไปประกอบอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะก็คือ อ, อธิศีและศิขาทีา่จิตแต่ศิขาอาธิปัญญาสิกขาก็คือการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเอตังบุทานาซ า, ศาศสหนังทั้งหมดนี้เป็นคําสั่งสอนเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขึ้นต้นด้วยขันติเลยนะขันตินี่เป็นอันดับหนึ่งนะเพราะพระพุทธเจ้าก็สอนขันติวะทีชาดกใช่ไหมแล้วก็ขันตินี่ก็เป็นบารมีแล้วก็ ถามว่าอดทนเพื่ออะไรนเนปางปรมังวทันติพุท ธ, ธาเป้าหมายที่ทนอยู่ได้ทั้งหมดเพื่อเพื่อพระนิพพานเรียกว่าสละสุขเล็กน้อยนะบางอย่างก็ต้องสละกันบ้าง้เพื่อสุขอันพัยบุญพระนิพพานนี่เป็นบรมสุขเป็นเอกันตสุขเป็นสุขที่สูงสุดแ้วอดทนกับเรื่องธรรมดาทั่วๆไปเพื่อพระนิพพานถ้าเพื่อพระนิพพานมีอะไรจะทนไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าทนไม่ได้นิพพานไม่ต้องการมัแต่ไปทำร้ายผู้อื่นมัวแต่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นบันปะชิตไม่เป็นสมณะเลยเดี๋ยวสูตรหนึ่งก็จะทํามิกระสูตรพระองค์บอกว่ า, วาจงขับสมณะแกลบออกไปจงขับสมณะอยากเยื่อผู้ที่ไม่ใช่สมณะที่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ประกาศถึงหลักการว่าสัพปาปะสะการนังอันนี้เป็นอธิศีลสิกขา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 เป็นนต้นเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเรารู้จักประมาณในปัจจัย4อยู่ในที่สงัดและประกอบอธิจิตตสิกขานี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นคาสอนที่นี้เป็นทางเพื่อความพ้นทุกนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกถ้าปฏิบัติตามนี้ได้คือถ้ายังยังเจริญกุศลอยู่ได้เรียกว่าขันติอันน้บอกขันตินี้แค่ไหน คือไม่ถือว่าอะไรเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาขวางกัน้นห้ามการเจริญกุศลถ้ายัางเจริญกุศลยังให้ทานรักษาศีลเจริญเนี่ยคำว่าอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะอยู่ถ้ายัางทํากิจเหล่านี้ได้อยู่แสดงว่ามีขันติมีความอดทนถ้ายัางเจริญบุญญากริยาวัตถุสิบอยู่เรียกว่ามีความอดทนญาติถ้ายัางศึกษายัางปฏิบัติตามคําสอนอยู่เรียกว่าความอดทนเพราคำว่าทนอดกับอดทนนี่เหมือนกันไหมทนอดนีนหมายคำว่าอย่างไร พอมีกินแต่ไม่ยอมกินขี้เกียจน่ น, นะทนอดเน่ น, นะว่าอย่าไปเล่นคำเลยต่อไปละไปว่างๆเอไปนั่งถกเอาแล้วกันดูความพิสูนทั้งหลายสมัยหนึ่งคือคือทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวแล้วทั้งหมดเนี่ยนะใจความตั้งแต่ข้อที่ที่ที่เท่าไหร่คือในข้อสิเนี่ยนะ ในข้อสิบพระพิสูุ์ทั้งหลายเนี่ยท่านสนทนากันว่าเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ได้ด้วยอนุภาพแห่งสัพพัญยุตยานหรือว่าเทวดามาบอกเนี่ยนะ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 ที่กล่าวไปนั้นทั้งหมดเท่ากับตอบคำถามว่านี้เพราะพระองค์รู้เองด้วยสัพพันยูทีนี้ต้องการบอกว่าจริงๆเทวดาก็บอกด้วยเอาแล้วเทวดามาบอกพระองค์ตอนไหนบอกว่าอย่างไรอันก็จะเป็นการขึ้นข้อห้าสิบห้าเพื่อตอบว่าเทวดาก็บอกแต่เทวดาไม่ได้บอกอย่างที่พระองค์เล่าเนี่ยแต่เป็นเป็นประกานบอกแบบคร่าวๆ ว, ว, ว่า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 สุดาวารคือว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ของพระอนาคามีเนี่ยนะอวิหะตะปาสุทธสาสุทศีอกนิถานี่ซึ่งเราไม่เคยได้อยู่เลยไม่เคยไปเลยมาก่อนมา้วน่ยโดยเวลาอันยืดยาวนานขนาดนี้สังสารวัตที่ผ่านมาทั้งหมดไม่เคยเข้าไปเลยเพราะใครที่เข้าถึงสุดทาวารได้ก็แปลว่าผู้นั้นจะไม่กลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกแล้วพระองค์ก็คิดว่าพระองค์ไม่เคยไปเลย เพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะถ้าได้เป็นสุทาวาแล้วก็เป็นพรมสุทาวาก็ไม่ได้มาไม่ได้มาบำเพ็ญบารมีอะไรอีกต่อไปแล้วก็เป็นพระนาคามีที่สุดก็จะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ในแน่นอนต่อไป